สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพรชูตอนที่สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดเรื่องวิธีการเสี่ยมร้นด้วยพระวิญญาณตอนที่สองครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงพระัมภีตอนแรกนะครับที่เป็นเครื่องหมายการเปลี่ยมร้นหรือวิธีการเปสี่ยมร้นด้วยพระวิญญาณสุดก็คืออยู่ในพระธรรมย่อนบทที่เจ็ดข้อสามสิบเจ็ดถึงข้อสามสิบเก้านะครับสรุปความก็คือว่า ถ้าเราต้องการการเปลี่ยนล้นวิธีการที่จะนําไปถึงความการเปลี่ยนล้นได้ก็คือคํำตอบในพระคัมภีร์ชัดเจนว่าเราจะต้องมาหาพระเยซูครับเราจะต้องมาหาพระเยซูโดยผ่านทา ง, งพระเจ้าเราต้องไขครวนแสวงหาพระเยซูแสวงหาการเปลี่ยนล้นด้วยความเชื่อและท่าทีในใจก็คือพร้อมที่จะเชื่อฟังเมื่อเราอ่านพระเจนะของพระเจ้านะครับเราสารภาพความผิดความบาป การเปลี่ยนล้นจะกลับคืนสู่ชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งครับและเมื่อการเปลี่ยนล้นกลับมาสู่ชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งชีวิตของเราน then, sure work, ั้นก็จะสามารถเป็นทานแห่งการเปลี่ยนล้นทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็นสายทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทําให้เป็นแม่น้ําใหญ่และไหลออกจากชีวิตของพวกเราในวันนี้นะครับเป็นข้อพระคัมภีตอนที่สองซึ่งเน้นถึงหลักฐานของการเปลี่ยนล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ว่าจะมีคําสั่งให้เปลี่ยนล้น อยู่เสมอนะครับเราจําเป็นต้องศึกษาอย่างละเอียดถี่ทวนครับทุกวันนี้อะไรคือเครื่องหมายแสดงว่าบุคคลหนึ่งเปี่ยมรุนในพระวิญบริสุทธิ์หรือใครเปี่ยมร้นพระวิญญาบริสุทธิ์มีคําถามถามผมเยอะแยะมากมายว่าอะไรเป็นเครื่องหมายการแสดงถึงการเปี่ยมร้นคําตอบนะครับชัดเจนก็คือเราจะต้องมีผลของพระวิญญาณครับเราจะต้องให้คนอื่นนั้นได้เห็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของพวกเรา นั่นคือคุณงามความดีนะครับนั่นคือความรักและอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งบันทึกอยู่ในกาเทียบทที่ห้าข้อที่ยี่สบสองยิบสามพี่น้องครับหลักฐานสําคัญคือผลของพระวิญญาณนะครับไม่ใช่ของประธานฝ่ายพระวิญญาณหลักฐานที่สําคัญคือคุณงามความดีที่แสดงออกจากชีวิตของเขา มิใช่การอัศจรรย์ปาฏิหารนะครับหลักฐานที่สําคัญอยู่ที่ผลของผู้วิญญาณบริสุทธิ์ม่ใช่ของมระธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเราพบนะครับในพระคัมภีร์ชัดเจนครับคริสเตียนชาวโครินนะครับมีของมระธานเยอะแยะจากพระวิญญาณแต่ยังไม่ใช่เป็นคริสเตียนที่เติบโตยังไม่เป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งฝ่ายจิตอิน ญ, ญาณเพราะว่าเขาขาดคุณงานความดีด้านความรัก เขาขาดคุณงานความดีที่เกิดจากผลของพยั ญ, ญบริสุทธิ์อย่างแท้จริงพวกเขาปวดอ้างนะครับว่าตัวเองนั้นเปี่ยมลน้นแต่เปาโลเขียนถึงเขาด้วยคําพูดเตือนสติเขาว่าท่านั่งหลายอิ่มหนำแล้วหรอกหนอนะครับท่านหลายอิ่มหนำแล้วหนอในโคริน1โครินบทที่4ข้อ18นะครับให้คิดครับบอกว่าท่านั่งหลายอิ่มแต่ไม่ได้หมายความว่าอิ่มด้วยพยัญชนะสุธิ์หรือเปี่ยมล้นด้วยพยัญชนะสุทธิ์ครับถ้าเกิดพวกเขา เกี<ภ>่ยมโรนี้เพื่อวิญญาณในสุดเขาต้องมีความรักนะครับเขาจะต้องไม่ทะเลาะเบาแหวงกันเขาจะต้องเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับอันนี้นะครับเห็นได้ชัดครว่าความรักอันเป็นผลของพวิญาณแรกสุดนะครับของพวิญญาณบริสุทธินั้นเขาก็ไม่สามารถทําได้พี่น้องครับความรักกันเป็นพันธะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งซึ่งเชื่อมนะครับเชื่อมและสมานผลของพระญญาณทุกอย่างนะครับผลของพวิญญาณและของประธานฝ่ายพวิญญาณครับ แน่นอนครับตรงนี้น่าจะเป็นความรู้ใหม่ของเรานะครับความรู้ใหม่ของเราที่นี้ก็คือผมหมายความว่าเราเห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างผลของพยัญบริสุทดกับของประทานของพยัญชนะสุดและสิ่งที่เป็นตัวเชื่อมก็คือความรักนะครับความรักเป็นพันธะยิ่งใหญ่ซึ่งเชื่อมนะครับสมานระหว่างของสองอย่างครับก็คือผลของพระยัญชนะสุดและของประทานของพยัญบริสุด นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของประทานและการใช้ของประทานโดยปราศจากความรักนั้นก็ไร้ค่านะครับซึ่งบันทึกไว้อยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สิบสามพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าผลสืบเนื่องคือคุณลักษณะทางด้านจริยธรรมคุณงามความดีนั้นปรากฏอยู่นะครับในเอเฟซัสบทที่ห้าข้อที่สิบแปดจนถึงข้อที่ยี่สบเอ็ดโปรดฟังพระชนะของพระเจ้า เอเฟซัสบทที่ห้าข้อที่สิบแปดถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดอย่าเมาเล่าองุนซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุ ด, ดีเพลงนับศการและเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญและสะดุ ด, ดีจับใจของท่านถาวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูเจ้าของเราจงยอมฟังกันและกัน ด้วยความเคารพในภาษาพิเรงครับในภาษาทุกๆภาษาในการแปลพระบรมภีรโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษากรีกซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมที่ใช้เขียนพระบรมพีใหม่นั้นมีคํากริยาในรูปคําสั่งว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นหมายความว่าจงอย่าเมาเหล้าองุน่นครับเป็นคําสั่งนะครับและในขณะเดียวกันก็สั่งว่าแต่จงประกอบด้วยผู้วิญญาณนะครับ และต่อจากนั้นก็มีคำกริยาสี่คำนะครับที่อยู่ในรูปปัจจุบันคือปราศัยคำว่าปราศัยคาว่าร้องเพลงสรรเสริญสดุดดีคำว่าขอบพระคุณและคำว่ายอมฟังกันและกันนั่นหมายความว่านี่คือคำสั่งที่ให้ประกอบด้วยเพย่อนแย้มเบร์สุดก็จะติดตามด้วยผลสืบเนื่องใ น, นพิพีตอนนี้คือสี่ลักษณะด้วยกันพี่น้องครับ หลักฐานของการเปี่ยมล้นหรือวิธีการเปี่ยมล้นนะครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดไปแล้วครับก็คือเข้ามาหาพระเยซูเพื่อที่จะรับการเปี่ยมล้นและเมื่อเปี่ยมล้นแล้วนะครับเราจะแสดงอาการออกมาในสี่ลักษณะนี้ครับก็คือเราจะต้องปราศัยกันนะครับด้วยเพลงสรุป ด, ดีเราต้องร้องเพลงสรรเสริญเราต้องขอบพระคุณและเราต้องยอมฟังกันและกัน เื่อครับในเรื่องนี้นะครับก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเมาเหล้านะครับกับเมาพวิญญาณหลายคนเข้าใจเรื่องนี้ผิดพลาดไปครับเพราะว่าคำสั่งที่ให้ประกอบด้วยพวุ่มให ญ, ญบริสุทธิ์ถูกเทียบเคียงไว้นะครับจากคำสั่งที่ว่าอย่าเมาเหล้าอางุ่นบางคนก็ด่วนฟีความไปว่าการเมาเหล้าอางุ่นกับการประกอบด้วยพวุ่มใหญ่บริสุทธิ์นั้นสามารถเทียบเคียงกัน พอเขาพูดอย่างนี้ครับว่าการเปี่ยมโลนในพระวิ ญ, ญญาณนั้นคือความเมาในพระวิญ ญ, ญาณหรือเมาไมาในพระวิญ ญ, ญาณนะครับแท้จริงแล้วอัคาทูตเปาโลเทียบเคียงการเมาสองลักษณะก็คือร่างกายมึนเมาด้วยเหล้าอางุ่นมีความหมายว่าร่างกายถูกควบคุมนะครับถูกครอบครองโดยแอลกอฮอล์หรือลิ์ของแอลกอฮอล์ซึ่งทําให้ควบคุมตัวเองไม่ได้ แต่การที่จิตวิญญาณนั้นเปี่ยมลนย้นในพระวญาณสุดไม่ใช่เป็นจิตวิ ญ, ญญาณเมาใหม่ครับพี่น้องพี่น้องฟังให้ดีนะครับการเปี่ยมลนย้นในพระวิญญาณบริสุดนั้นไม่ใช่วิญญาณเมาใหม่ครับเพราะคนเมานั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลแอลกอฮอล์แต่คนที่เปี่ยมล้นในพระวิญญาณสุดนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมครอบครองของพระวิญญาณครับพี่น้องครับ หลายคนก็มักจะยกกิจาการบทที่สองข้อสิบามได้บอกว่าคนเหล่านั้นเมาเล่าอางุ่นใหม่แต่แท้จริงแล้วอัครทูตนะครับซึ่งคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่บอกว่าพวกเขาเมาเล่าเงุ่นใหม่แต่คนกลุ่มใหญ่ประหลาดใจครับอัศจรรย์ใจที่เหล่าอัครสาวกของพระองค์ซึ่งเป็นชาวกะลหรีเป็นชาวอยู่เนี่ยพูดภาษาอื่นๆ น, นะครับพูดภาษาพื้นเมืองของ ประเทศต่างๆได้อย่างชัดเจนคมคายและคล่องแคล่วนะนี่คือความประหลาดใจมากกว่าที่จะบอกว่าพวกนี้เมาพี่น้องครับการเปี่ยมลน้นด้วยเพื่อนยันโดยสุดนะครับเป็นสิ่งที่จะเป็นประสบการณ์ของชีวิตของเราเราจะต้องแสวงหาการเปี่ยมลน้นด้วยเพื่อนยันโดยสุดครับและเพื่อนยันบริสุดเมื่อเปี่ยมลน้นนะครับไม่มีอาการเมาครับ มีแต่ผลของพยชนสุดที่ออกมาชัดเจนก็คือการควบคุมตนเองหรือ self control ภาษาจีว่าลว่า enka chea enka chea หมายความว่าการควบคุมตัวเองครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผลสืบเนื่องของการเปี่ยมล้นเห็นได้ชัดนะครับจากสัมพันธภาพจากความรักมีความรักและมีการควบคุมอย่างดีนะเพราะฉะนั้น การเมามายกับการเสี่ยมล้นนะครับไม่เหมือนกันครับการเมาไม่นะครับก็คือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ออกฤทิ์ภายใต้แอลกอฮอล์แต่การเสี่ยมล้นด้วยพิมพ์ยานบริสุทธ์นะครับก็คือพิมพญยานบริสุทธิ์นั้นควบคุมชีวิตของเรานะครับและพิมพ์ยานบริสุทธ์ดูแลให้เรานั้นได้เกิดผลพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแอลกอฮอล์ทำให้เราหมดการควบคุมตัวเองนะ เปลี่ยนคนเมานะครับให้จากคนก็เหมือนไม่ใช่คนแต่การเปลี่ยนรูนเพื่องยามสุดนั้นเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมทางจริยธรรมยับยั้งทั้งใจควบคุมตัวเองใช้หลักเหตุใช้หลักผลเปลี่ยนที่เตียนธรรมดาให้เหมือนพระเยซูเปลี่ยนที่สเสตียนธรรมดานะครับให้เหมือนกับพระเยซูคริสดังนั้นผลของการ อยู่ใต้อิทธิพลของแอลโกอฮอล์หรือเหล้านะครับและผลของการอยู่ใต้อิทธิพลของพิษยาเบย์สุดนั้นแตกต่างกันอย่างเด็ดขาดอย่างสิ้นเชิงลาวฟ้ากับดินนะครับขอพี่น้องช่วยพระเจ้าช่วยเรานะครับช่วยพี่น้องทุกท่านครับพี่น้องให้ได้รับการเปี่ยมล้นด้วยพิษยาเบย์สุดอย่างแท้จริงอาเมน